จเจริญพรท่านผู้มีจิตใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่มีสา ม, มนเณรมาบวชศึกษาปฏิบัติธรรมที่วัด เป็นจำนวนประมาณ40รูปด้วยกันเนื่องจากเป็นวันช่วงปิดภาคฤดูร้อนของโรงเรียนต่างๆผู้ปกครองจึงได้สนับสนุนให้เด็กๆได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอม ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตจิตใจจึงได้ให้บรรพชาเป็นสามเณรกันประมาณ15หวันด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่11มีนาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่26มีนาคมก็จะสิกขาลาเพศกันไปการที่ได้บวชได้เรียนนี้ เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตเพราะจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นเหตุที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมีแต่ความสุขสงบล่มเย็นเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับ น้ำเย็นนี่เองเวลาดื่มเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นเบิกบานไม่เหมือนกับน้ำร้อนที่ดื่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้เกิดความรุ่มร้อนขึ้นมาในร่างกายสิ่งต่างๆในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่ทำให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุข และมีสิ่งที่ทำให้จิตใจมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนใจผู้ที่ไม่ฉลาดไม่รู้จักแยกแยะ ก, ก็จะถูกความหลงหลอกพาให้ไปหาความรุ่มร้อนหาความวุ่นวายต่างๆผู้ที่ฉลาดหรือผู้ที่มีผู้รู้เช่นพระพุทธเจ้า เป็นผู้ชี้ทางก็จะเข้าหาแต่สิ่งที่นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นการอบรมสั่งสอนเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะเด็กนี้เป็นผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาเพียงพอในตัวของเขาเองที่จะสามารถ แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็ยนเป็นสุขนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจึงต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่รู้คอยสอนคอยบอกแต่ผู้ใหญ่นี้ก็มีความรู้ที่แตกต่างกันจากน้อยไปหามาก ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดลูกที่สุดก็คือพ่อแม่ซึ่งมีหลายระดับในความรู้พ่อแม่บางคนก็มีความรู้น้อยบางคนก็มีความรู้มากถ้าเด็กมีพ่อแม่ที่มีความรู้น้อยพ่อแม่ก็ต้องหาผู้ที่รู้มากกว่ามาช่วยอบรม ส, สรั่งสอนเช่นส่งลูกไปโรงเรียน โรงเรียนปิดเทิมก็ให้ลูกได้บวชเรียนบันประชาเป็นสัมมนเณรอย่างนี้เป็นการเอาศัยผู้อื่นให้ช่วยอบรมสั่งสอนให้เนื่องจากตนขาดสติปัญญาหรือไม่มีเวลาเพียงพอเพราะจะต้องงัวทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่จึงไม่ค่อยมีเวลา ที่จะได้อบรมสั่งสอนลูกๆต่างๆถ้าพ่อแม่คิดอย่างนี้ก็ยังคิดยังถือว่าพ่อแม่เป็นคนฉลาดอยู่แต่พ่อแม่บางคนอาจจะไม่เห็นความสำคัญของการบวชเรียนไม่เห็นความสำคัญเรื่องของศีลธรรมความประพฤติอันดีงามก็จะไม่สนใจที่จะส่งเสริม แต่กับเห็นความสำคัญของสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับลูกเช่นของเล่นต่างๆซื้อหามาให้ลูกเล่นพาลูกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่างนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะไม่ได้เสริมสร้างสติปัญญาให้ฉลาดให้รู้ถึงเหตุและผลของสิ่งต่างๆ และจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีติดตัวไปจะชอบของเล่นจะชอบเที่ยวมีเงินทองหามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะหมดไปกับการเที่ยวเล่นนี่เองและจะไม่รู้จักวิธีที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีได้จะไม่รู้จักบุญคุณ ไม่รู้จักความกตัญญูกะตะเวทีของผู้ที่มีพระคุณจะไม่รู้จักสัมมาคารวะจะไม่รู้จักความเรียบร้อยทางกายละวาจาจะเป็นเหมือนกับสุนัขหรือว่านอนที่จะทำอะไรไปตามอำเภอใจตามรู้สึกนึกคิดของตน ถ้าไม่อบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังเยาว์วัยพอโตขึ้นไปแล้วก็จะยากต่อการที่จะสั่งสอนและเมื่อไปทําหรือไปพูดในสิ่งที่เสียหายขึ้นมาความเสียหายก็จะกลับมาที่ตัวเด็กนั้นหรือตัวผู้กระทานั้นต่อไปตอนนั้นก็ไม่มีใครที่จะสามารถ ช่วยเหลือได้นอกจากไปเยี่ยมในคุกในตารางส่งข้าวส่งปลาไปให้เท่านั้นแต่ผู้ที่พูดเลือกทำความเสียหายก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ผู้ปกครองจึงควรให้ความสำคัญต่อการ อบรมสั่งสอนเด็กในเรื่องความประพฤติต่างๆความดีงานต่างๆอย่าปล่อยให้เด็กเรียนรู้เองเพราะโดยธรรมชาติจะไม่ชอบเรียนรู้ทา ง, ทางเรื่องเหล่านี้จิตจะชอบเด็กจะชอบเรียนรู้ในทางเรื่องที่ไปในทางความหลงในเรื่องของความโลภและความโกรธ ถ้าเราสอนให้เขาโลภสอนให้เขาโกรธเขาก็จะยิ่งโลภยิ่งโกรธมากขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าเราสอนให้เห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความโกรธเห็นโทษของความหลงเขาก็จะได้ระมัดระวังและคอยต่อต้านคอยต่อสู้กับความโลภความโกรธความหลงต่างๆ นี่คือเหตุผลที่เด็กๆต้องมีการอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรมจริยธรรมความประพฤติอันดีงามต่างๆถ้าไม่สอนแล้วเด็กจะขาดสติปัญญาที่จะ พาให้ชีวิตของเขานั้นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่ความร่มเย็ยนเป็นสุดถึงแม้เขาจะเจริญในทางโลกเช่นเจริญด้วยเงินทองเจริญด้วยตำแหน่งแต่จิตใจของเขาหาเจริญหาได้เจริญตามความเจริญทาง โลกไม่เพราะจิตใจนั้นไม่ได้เจริญด้วยเงินทองไม่ได้เจริญด้วยตำแหน่งไม่ได้เจริญด้วยความสรรเสริญเยินยอหรือไม่ได้เจริญด้วยการได้สิ่งต่างๆที่ให้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่กลับจะ ทำให้เป็นาธาตุของสิ่งเหล่านี้ไปผู้ที่ต้องมีความเจริญในทางโลกถึงจะมีความสุขก็จะต้องติดอยู่กับการแสวงหาความเจริญของทางโลกไปเรื่อยๆและในขณะเดียวกันก็จะทำให้จิตใจเสื่อมลงไปเรื่อยๆเพราะเนื่องจากการ แสวงหาความเจริญทางโลกมักจะล่อแหลมต่อการเสื่อมเสียของศิลธรรมอันดีงามเวลาเกิดความแข่งขันกันแล้วก็จะหามาทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาถ้าหาด้วยความสุดจริตด้วยศิลธรรมอันดีงามไม่ได้ ก็จะหาด้วยการกระทําผิดศีลผิดธรรมปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอสังคมทุกวันนี้ที่เสื่อมลงไปก็เพรา ะ, จะเจริญในทางโลกแต่เสื่อมในทางจิตใจสังคมอยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันอย่างหวาดกลัวไปไหนมาไหน แทบจะมีภัยรอบด้านภัยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มาจากที่ใครก็มาจากมนุษย์เราด้วยกันนี่เองมนุษย์ที่ไม่ได้รับการอบรมในสมัยที่เป็นเด็กปล่อยให้ส่งเสริมไปในทางโลกทางความโกรธทางความหลงกันอย่างเต็มที่จึงปรากฏเป็น ปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมายเช่นการมีคู่ครองในเวลาที่ยังไม่สมควรเมื่อมีแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้พอมีบุตรก็ต้องถูกทอดทิ้งสามีภรรยาก็แยกทางกันไปคนละทิศคนละทาง บางทีบุตรต้องไปอยู่กับปู่ย่าตายายขาดความอบอุ่นขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วกลายเป็นสังกลายเป็นปัญหาของสังคมตามมาต่อไปเด็กก็จะปร ะ, ประพฤติตามเยี่ยงอย่างของพ่อของแม่ก็จะมี ครอบครัวมีคู่ครองตั้งแต่อายุยังน้อยยังไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็ต้องเป็นบ้านแตกสาลัขาดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเด็กที่ไม่มีผู้ใหญ่คอยอบรมดูแลสั่งสอนก็จะไม่รู้จักการประพฤติ ท, ที่ดีงามก็จะไปเป็นปัญหาของสังคมต่อไป ไปลักเล็กขโมยน้อยไปเสพยาเสพติดเสพสุรายาเมาต่างๆนี่แหละคือชีวิตที่ขาดการอบรมสั่งสอนในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามทั้งหลายดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีเด็กจึงไม่ควรปล่อยประละเลย ควรที่จะเขี่ยวเข็นอบรมสั่งสอนเด็กมีโอกาสก็ให้เขาได้บวชได้เรียนตามสมควรแก่ฐานะและเวลาโรงเรียนเปิดก็ควรให้เขาได้ไปโรงเรียนให้มีวิชาความรู้<อ>เพื่อที่จะได้มีอาชีพที่สุดเจริญเลี้ยงปากเลี้ยงทองตั้งตนอยู่เป็น ราดศรัทที่ดีไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมต่างๆการบวชเรียนจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ของคนทุกๆคนในสมัยโบราณจะมีการบวชเรียนกันทุกๆคนผู้ชายที่มีอายุครบ20สิบจะต้องบวชเรียนกันถ้าไม่บวชเรียนยังถือว่า ไม่เป็นคนที่สมบูรณ์หรือยังเป็นคนที่ยังดิบอยู่ยังเป็นคนป่าเถื่อนอยู่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีให้เป็นคนเจริญในอดีตสังคมจึงไม่ค่อยมีปัญหามากมายเหมือนกับในสมัยนี้เพราะในสมัยนี้เราหันไปให้ความสนใจ กับเรื่องของวัตถุข้าวของต่างๆคิดว่าให้ข้าวของเด็กแล้วเด็กจะมีความสุขเด็กจะฉลาดเด็กจะเรียนเก่งเด็กจะเป็นคนดีแต่หารู้ไหมว่ากำลังส่งเสริมให้เด็กกลายเป็นคนไม่ดีไปดังนั้นเราจรึงควรให้ ความสำคัญต่อการอบรมสั่งสอนในเรื่องศิลธรรมมากกว่าเรื่องอย่างอื่นเพราะถึงแม้ว่าจะไม่มีความรู้มากแต่ถ้ามีความรู้ในทางศิลธรรมแล้วก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและตนเองจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ที่เรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดบางคนเรียนจบเป็นถึงด็อกเตอร์จบกริญญาเอกแต่ก็ต้องไปกระทำบาปทำกรรมทำผิดกฎหมายถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปหรือไม่เะนั้นก็หนีความผิด ด้วยการค่าตัวตายไปเป็นเพราะว่ามีความรู้ที่ไม่มีประโยชน์กับจิตใจนั่นเองความรู้ที่มีประโยชน์ต้องสอนให้จิตใจเอาตัวรอดได้ให้อยู่อย่างปลอดภัยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาต่างๆมารุมเร้าจิตใจถ้าได้เข้าวัดเข้าวา ได้รับการบวชเรียนเด็กจะรู้จากวิธีอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะวิธีที่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็คืออยู่อย่างสัมมะตาอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อไม่สุรุ่ยสุรายไม่ฟุ่มเฟือยอยู่แบบใช้แบบจําเป็นกินแบบจําเป็นมักน้อยสันโดษ ถ้าผู้ใดได้รับการอบรมนิสัยนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีปัญหาในชีวิตเรื่องเงินทองไม่พอใช้นี้จะไม่มีเพราะจะมีเงินทองเหลือใช้อยู่เสมอเงินทองส่วนใหญ่ที่หมดไปนี้ไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวแต่หมดไปกับสิ่งที่เป็นโทษเป็น หมดไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่เกินความจำเป็นของเหล่านี้ไม่ควรที่จะหามาให้เสียเงินเสียทองไปเปล่าประโยชน์น่าจะเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็นจะดีกว่าหรือถ้ามีพอเพียงก็เอาไปลงทุน เอาไปค้าขายทำมาหากินเพิ่มรายได้ขึ้นมาหรือยังถ้ายังมีเหลืออีกก็นำเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชีวิตในพบหน้าชาติหน้าจะได้ไม่ลำบากลำบนไม่ตกทุกข์ได้ยากเพราะอาศัยบุญที่ทำไว้ในชาตินี้นั่นเอง บุญที่เราให้คือทานที่เราให้กับผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นนี้ไม่ได้สูญเปล่าไม่ได้หายไปจะรอเราอยู่ในภพหน้าชาติหน้าเวลาที่เราไปเกิดจะมีบุญเหล่านี้คอยรองรับเราอยู่คอยสนับสนุนให้เราไม่อดอยากขาดแคลนไม่ตกทุกข์ยากลาบากนี่คือ การที่เราจะอยู่อย่างน่มเย็นเป็นสุขต้องมีพื้นฐานคือความมักน้อยสัโดกและมีความขยันหมั่นเพียรในการในหน้าที่การงานต่างๆถ้ายังอยู่ในวัยที่ต้องศึกษาเร่มเรียนก็มีความขยันมั่นเพียรในการศึกษาถ้ายอยู่ในวัยทำมาหากิน ก็ให้มีความขยันหมั่นเทียนในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองอย่าไปขยันในการใช้เงินใช้ทองอย่าขยันในการเที่ยวเตรเพราะจะทำให้เงินทองที่หามาได้ด้วยความยากลำบากนี้หมดไปอย่างรวดเร็วและจะไม่มีเงินทองพอใช้ก็จะต้องมีปัญหาตามมา เพราะจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ชอบต่างๆกลายเป็นปัญหาต่างๆตามมาจนได้อยู่ที่การดำเนินชีวิตของตนเองนี่เองถ้ามีคนคอยสั่งคอยสอนแล้วประพฤติปฏิบัติตามได้ชีวิตนี้จะไม่เป็นชีวิตที่ลำบากลำบนยากเย็นแต่อย่างใด มีความสุขอยู่เสมอเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดจากการได้เที่ยวได้ซื้อข้าวซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาบริโภคแต่เกิดจากการที่ไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีปัญหามารุมเรา้าไม่มีปัญหาเรื่องขาดเงินขาดทองไม่มีปัญหาเรื่องต้อง ไปกู้นี้ยืมสินจากผู้อื่นเพราะเราสามารถอยู่ในฐานะของเราได้อยู่ตามฐานะของเราได้เรามีมากมีน้อยเราก็ใช้ไปตามที่เรามีอยู่อย่างน้อยเราจะไม่ใช้มากกว่าที่เราหาได้และถ้าเราหาได้มากเราก็จะมีเงินเก็บสำรองไว้ ในอนาคตเพื่อวันเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยตกงานตกการไม่สามารถทำงานทำการไม่มีไรายได้เราก็ยังมีเงินทองที่เราเก็บไว้นี้มาคอยดูแลเราอยู่นี่เป็นเรื่องที่ถ้าไม่มีการเข้าหาพระศาสนาจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ เพระทุกคนก่อนมานี้ก็คิดว่าความสุขก็คือการได้ซื้อได้ใช้ได้กินไ ด, ดได้ดื่ได้ดูได้ฟังสิ่งต่างๆที่ตนเองปรารถนาแต่หารู้ไหมว่าต่อให้ได้เสพได้สัมผัสมากน้อยเท่าไหร่ก็จะไม่มีความสุขเพราะเป็นความสุขเพียงชั่วขณะเดียว ชื่อขณะที่ได้เสพได้สัมผัสเท่านั้นแต่หลังจากนั้นแล้วก็จะเกิดความหิวความอยากความต้องการที่จะเสพอยากจะได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่แหละคือปัญหาของพวกเราเราไปหาความสุขในวิธีที่ไม่ถูกนั่นเองวิธีที่ถูกนั้นเราต้อง อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบประหยัดหาความสุขจากการทําความดีต่างๆเช่นมีความกตัญญูกะตะเวทีคอยรับใช้ดูแลพ่อแม่ผู้มีเพระคุณคอยช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้จะทําให้เรามีความสุขเพราะจิตใจมีความสุข จากสิ่งเหล่านี้นั่นเองถ้าไม่ทำก็จะไม่รู้ถ้าทำแล้วก็จะเข้าใจว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนี่แหละคือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสกันเพราะเรามีความหลงคอยทำให้เรามีความคิดว่าการที่เราต้องคอยรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่น เป็นการเสียเปรียบเป็นการเสียเวลาเป็นการเสียเงินเสียทองซึ่งความจริงถึงแม้จะเสียไปแต่สิ่งที่ได้กลับมานี้มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เสียไปเพราะจะได้ความสงบสุขจะได้ความอิ่มความพอในจิตใจจะไม่หิวกระหายกับสิ่งต่างๆ อยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านก็มีความสุขได้โดยไม่ต้องตะเกียกตะกายออกไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเพราะถ้าออกไปแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาเหมือนกันแต่กลับไม่ได้ความอิ่มความพอกลับมาแต่จะได้ความหิวความอยากความต้องการเพิ่มขึ้นไปอีก ทำให้ไม่สามารถอยู่เฉยๆในบ้านได้จะต้องดิ้นรนออกไปแสวงหาความสุขภายในภายนอกบ้านอยู่เสมอแล้วก็นำเอาปัญหาต่างๆกลับเข้ามาถ้าไปหาความสุขกับสุรายาเมาก็จะติดสุราและก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาถ้าไปติดการเล่นการพนัน ก็อาจจะหมดเนื้อหมดตัวหมดเงินหมดทองได้ถ้าไปติดกับการเที่ยวเตร่ก็จะหมดเงินหมดทองไปเพราะการเที่ยวนี้ไม่ได้มีรายได้กลับเข้ามาแต่อย่างใดมีแต่รายจ่ายอย่างเดียวถ้าไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ก็จะมีความก็จะมีปัญหากับคนนั้นคนนี้จะต้องทุกข์กับคนนั้นคนนี้ นี่คือความสุขที่ได้จากการไปแสวงหาจากสิ่งต่างๆภายนอกจากบุคคลต่างๆจะเป็นอย่างนี้จะไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงนี้ต้องเกิดจากการหาความสุขในตัวเราหาความสุขจากการทาจากการประพฤติ ท, ที่ดีที่งามต่างๆตามที่ได้แสดงไว้ เช่นมีความมากน้อยสันโดษมีความขยันหมั่นเพียรมีความกตัญญูกะตะเวทีมีสัมมาคารวะมีความเมตตากรุณาใจบุญสุนทานทำบุญทำทานรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นตามแต่ตามตามกำลังแห่งสติปัญญาความสามารถที่จะทำได้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขจะทำให้เราไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ต้องตะเกียกตะกายหาเงินอย่างไม่รู้จักพอเพียงนี่คือความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรตวเห็นแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้กับสัตว์โลกคือพวกเราทั้งหลาย ได้นำเอาไปประพุติปฏิบัติถ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความสบายไม่มีปัญหาต่างๆตามมาไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆตามมาอย่างแน่นอนจึงขอให้เราให้ความสำคัญต่อการศึกษาและ การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเหตุที่จะนำพาให้เราได้พบกับความสุขและความเจริญที่แท้จริงนั่นเองจึงขอฝากเรื่องของการให้ความสาคัญต่อการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านได้นำนำ ถ้ได้นำไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้